เจอดีที่ค่ายทหารผีเฮียน ส, สัมผัสสยองเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งที่ค่ายนี้จะมีการจัดค่ายลูกเสือและเนตรนารีให้กับโรงเรียนต่างๆด้วยโดยวิทยากรที่มาฝึกให้กับเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารและตัวแทนครูจากหลายๆโรงเรียนซึ่งนิยมมาจัดค่ายลูกเสือที่นี่มากเพราะที่ค่ายทหารนี้ขึ้นชื่อเรื่องการฝึกระเบีเหนี่ยและมีกิจกรรมที่ให้ความรู้กับเด็กๆเป็นอย่างดีปีนี้ก็เช่นกัน โรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นที่ทางการศึกษาประมาณ6โรงเรียนได้นํานักเรียนหญิงที่เป็นเนตรนารีระดับชั้นมหนถึงม3จํานวนประมาณ200คนมาเข้าค่ายเนตรนารีที่ค่ายทาหารที่นี่โดยแต่ละโรงเรียนจะมีคุณครูมาควบคุมดูแลโรงเรียนละสองสาท่านซึ่งจะมีทั้งครูผู้หญิงและครูผู้ชายเมื่อนักเรียนและคุณครู มาถึงที่ค่ายทหารวิทยากรที่เป็นกลุ่มทหารก็ให้นักเรียนเข้าแถวและแบ่งกลุ่มแบบคระโรงเรียนออกเป็นกลุ่มละ10บคนจากนั้นก็มีการสาธิตวิธีการตั้งเต็นท์พักแรมและให้นักเรียนช่วยกันตั้งเต็นท์ในบริเวณลานกว้างโดยแต่ละเต็นท์นักเรียนหญิงก็จะนอนด้วยกันเต็นท์ละ1ิบคน ส่วนคุณครูก็ไปพักที่บ้านของนายทหารซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่พักได้เกือบสิบคนคุณครูผู้หญิงนอนรวมกันอยู่ในห้องชั้นบนส่วนคุณครูผู้ชายก็จะนอนรวมกันที่ห้องโถงชั้นล่างเมื่อนักเรียนตั้งเต็นและจัดเก็บสัมภาระเข้าเต็นเรียบร้อยก็ถึงตอนเย็นพอดีวิทยากรก็ให้นักเรียนเตรียมของไปอาบน้าที่ห้องอาบน้า ซึ่งเป็นห้องอาบน้ำแบบทหารมันเป็นห้องโลงกว้างตรงกลางห้องจะมีบอ่อน้ำขนาดใหญ่กว้าง4เมตรยาว8เมตรสูงประมาณ1เมตรทุกคนที่ไปอาบน้ำก็ต้องนุ่งผ้าถุงกระโจมอกและเตรียมสบู่คันน้ำไปด้วยเด็กๆรู้สึกสนุกสนานในการอาบน้ำด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่แบบนี้มาก เราไม่เคยอาบอย่างนี้ที่บ้านมาก่อนแต่ก็มีเวลาหัวเราะเล่นน้ำกันได้ไม่นานเพราะจะมีคนจับเวลาอาบน้ำในแต่ละกลุ่มไม่ให้เกินห้านาทีแล้วก็ต้องรีบแต่งตัวให้เสร็จภายในเวลาสิบนาทีเพื่อเป็นการฝึกให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหลังจากอาบน้ำเสร็จวิทยากรก็เรียกระดมพลเข้าแถว และตบเท้าไปที่โรงอาหารพอถึงโรงอาหารก็จะเห็นโต๊ะเรียงแถวเป็นระเบียบซึ่งมีอาหารวางอยู่บนโต๊ะพร้อมข้าวเรียบร้อยแล้วโต๊ะไมน้นี้ลักษณะเป็นโต๊ะยาวๆมีม้านั่งทั้งสองข้างของโต๊ะและนั่งได้ประมาณด้านละ15หคนรวมโต๊ะหนึ่งก็จะนั่งได้ส0คนพวกเขาเดินไปยืนรอบโต๊ะอาหาร แล้วรอจนกว่าทุกคนจะเข้าที่เรียบร้อยวิทยากรถึงจะสั่งให้นั่งลงพร้อมกันกว่าจะได้รับประธานอาหารก็ต้องมีการตบฉากโดยใช้มือซ้ายแตะใต้ข้อศอกมือขวาแล้วมือขวาแตะที่ข้อศอกมือซ้ายทําในท่าทางที่ถนัดแล้วยกมือข้างหนึ่งตั้งขึ้นและตบลงมาจากนั้นก็พนมมือขอบคุณข้าว โดยกล่าวพร้อมกันว่าข้าวทุกเม็ดมีบุญคุณต่อเราเราต้องรับประทานด้วยความขอบคุณต่อจากนั้นก็เริ่มลงมือรับประทานอาหารกันอย่างสงบห้ามพูดคุยกันอย่าให้ช้อนกับจานกระทบกันเสียงดังห้ามทานเหลือห้ามทำข้าวตกไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษซึ่งทุกคนปฏิบัติโดยดีเพราะเด็กๆ เ, เคยได้ยินว่า บทลงโทษของทหารหนักมาแล้วมือเย็นมือนั้นก็ผ่านไปด้วยดีจากนั้นวิทยากรก็ให้เวลานักเรียนไปทําธุระส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเข้าห้องน้ำแปลงฟันหรือไปหยิบสมุดปากกามาจดบันทึกซึ่งจะให้เวลาไม่เกิน3านาทีพอถึงเวลาหนึ่งทมวิทยากรก็เรียกนักเรียนทั้งหมดเข้าห้องประชมุม ุณครูก็ตามนักเรียนเข้าไปในห้องประชุมด้วยแต่ไม่มีบทบาทอะไรเพียงแต่เฝ้าดูสังเกตเหตุการณ์เท่านั้นวันนี้วิทยากรได้แนะนำทีมงานมีการร้องเพลงบางและแนะนำโปรแกรมว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือพรุ่งนี้จะมีการพานักเรียนเดินป่าพอตอนเย็นก็จะมีการเล่นรอบกองไฟ และรุ่งคืนของอีกวันก็จะได้กลับบ้านซึ่งการเข้าค่ายลูกเสือครั้งนี้ใช้เวลารวมทั้งหมดสามวันกับสองคืนเมื่อแนะนำกิจกรรมเสร็จแล้ววิทยากรก็ให้นักเรียนกลับไปพักผ่อนตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วเมื่อนักเรียนกลับเข้าเต็น์ก็มีการพูดคุยแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆื่นสมาชิกแต่ละคนรู้จัก เพราะนักเรียนมาจากต่างโรงเรียนจึงตื่นเต้นที่ได้พบเจอเพื่อนใหม่หลายคนไม่เข้านอนเพราะมัวแต่คุยกันจนถึงเวลาประมาณห้าทุมก็มีครูฝึกทหารมาบอกให้ปิดไฟและเข้านอนห้ามพูดห้ามส่งเสียงดังแต่เด็กๆ ก, ก็ไม่ยอมหลับและแอบคุยกันอยู่ส่วนเรื่องใหญ่ที่เด็กๆคุยกัน ก็จะเป็นเรื่องผีและเรื่องความเลนลับของค่ายนี้เพราะก่อนที่จะมาเข้าค่ายพวกรุ่นพี่ในโรงเรียนได้เล่ากันว่าค่ายนี้มีผีมีคนโดนหลอกมาแล้วจนเด็กๆ ก, กลัวไม่กล้าแม้กระทั่งจะเข้าห้องน้ำหรือถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็จะไปเป็นกลุ่มกลุ่มและไม่ต่ำกว่าสิบคนแล้วเรื่องหน้าขนลุกก็เกิดขึ้นจนได้ ในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนที่เต็นท์หลังหนึ่งมีเสียงร้องครางฮือๆตามมาด้วยเสียงร้องไห้เสียงนั้นดังจนเพื่อนๆต่างตกใจลุกขึ้นเอาไฟฉายมาส่องดูแล้วภาพที่เห็นนั้นก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้ครวญครางและกรีดร้องเสียงดังพร้อมกับดึงผมตนเองจนยุ่งเหยิง ดวงตาของเธอนั้นแดงก่ํำคล้ายกับผีเขา้าสักพักเด็กผู้หญิงอีกคนก็ดิ้นทุรนทุรายเด็กๆต่างตกใจและแตกตื่นไม่นานไฟทั่วลานก็สว่างขึ้นแต่เหตุการณ์ก็ยังไม่สงบเด็กๆค่อยล้มลงทีละคนบางคนฉีกเสื้อผ้าตนเองบางคนก็กัดฟันตัวเองแล้วร้องเหมือนกับสัตว์ มีอยู่คนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่ามึงลบลูกกูมึงลบลูกกูเท่านั้นยังไม่พอบางคนบีบคอตอนเองแล้วส่งเสียงกรีดร้องเต็มลานส่วนเด็กๆที่ไม่มีอาการอะไรก็ร้องไห้ด้วยความกลัวจนเสียงดังถึงครูที่อยู่บ้านพักคุณครูต่างพากันวิ่งมายังที่เกิดเหตุก็เห็นมีเด็กๆประมาณ20สิบคน นอนดินมีอาการแปลกๆวิทยากรและคุณครูจึงช่วยกันจับและใช้เชือกมัดนักเรียนเหล่านั้นไม่ให้ทำร้ายตัวเองจากนั้นก็นําไปขึ้นรถทหารเพื่อพาไปส่งโรงพยาบาล น, นักเรียนที่เหลือวิทยากรก็ให้เข้าห้องประชุมนั่งสมาธิแล้วก็บอกให้แยกย้ายกันไปเข้านอน วิทยากรทหารบอกกับครูว่าที่ค่ายทหารแห่งนี้มักเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเป็นเพราะเด็กไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผีมากเกินไปจึงเกิดอุปทานจิตหลอนเรียกว่าอุปทานหมู่พอได้สงบสติอารมณ์ก็จะหายหรือถ้าได้รับยาคลายเครียดก็จะดีขึ้นเมื่อเหล่าคุณครูได้ฟังก็โล่งอกพอรุ่งเช้า เด็กบางส่วนที่ไปนอนโรงพยาบาลก็กลับมาเข้าค่ายต่อแล้วก็มีเด็กประมาณหคนที่ผู้ปกครองมารับกลับบ้านถือเป็นเหตุการณ์น่าขนลุกที่ต้องจดจําไปอีกนานในวันนี้เด็กๆจะต้องไปเดินป่าส่วนคุณครูก็รอเด็กอยู่ที่ค่ายไม่ได้ไปด้วยคุณครูเกือบทั้งหมดก็มารวมตัวกัน ที่ห้องทงชั้นล่างของบ้านผักและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆที่เกิดอุปทานหมู่พวกคุณครูเองก็เคยได้ยินเรื่องผีในค่ายนี้มาเหมือนกันต่างคนก็นํามาเล่ากันเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ในขณะที่คุยเรื่องผีกันอย่างสนุกสนานก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นห้องโถงที่คุณครูรวมตัวกันนั้น มีประตูบานเข้าบานใหญ่เปิดภาพไปทางด้านทิศใต้ช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวลมมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสักพักประตูบานใหญ่ก็ปิดตัวเองทำให้ทุกคนตกใจหันไปมองที่ประตูพร้อมกันแล้วก็ต้องแปลกใจเข้าไปอีกไม่เห็นว่าประตูปิดสวนทิศทางลมที่พัดมา แม้มันจะแปลกแต่ก็ไม่มีใครสนใจไม่นานนากักก็ได้ยินเสียงในห้องน้ำมันเหมือนกับมีคนกดชักโครเสียงน้ำดังและกำลังไหลเข้าไปในชักโครคุณครูทุกคน ต่างมองหน้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่ทุกคนก็นั่งอยู่ในห้องโถงด้วยกันวงสนทนาก็เลยแตกแล้วต่างแยกย้ายกันออกจากบ้านหลังนั้นไปพอนักเรียนกลับมาจากเดินป่าตอนกลางคืนก็มีกิจกรรมเล่นรอบกองไฟทุกคนมารวมกันที่ลานและรวมกันทำกิจกรรมจนเสร็จไปด้วยดี หลังจากนั้นทุกคนก็กลับไปพักผ่อนส่วนคุณครูก็ยังตั้งวงสังสรรค์กันต่อที่บ้านพักเล่นไพ่ป๊อกแปป๊อก9กเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีพอเล่นไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูครูคนหนึ่งลุกขึ้นเปิดประตูพอเปิดออกมาก็ไม่เห็นมีใครจึงกลับมานั่งต่อ แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกๆๆคุณครูในวงก็เลยคิดว่าคงเป็นครูผู้หญิงบางคนที่ไม่ได้ลงมาเล่นด้วยแล้วเปลี่ยนใจอยากจะมาเล่นจึงร้องบอกไปว่าเข้ามาเลยไม่ได้ลงกรอนประตูแล้วทุกคนก็ก้มหน้าเล่นกันต่อไม่นานนะักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาที่ประตูแล้วพูดว่า ยังไม่นอนกันเหรอเที่ยงคืนแล้วนะจะมาทําความสะอาดจะรีบกลับบ้านเนื่องจากเสียงที่ได้ยินและสำเนียงแปลกๆจึงทำให้ครูทุกคนหันไปมองผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเพียงแต่หน้าขาวๆผมยาวๆแต่การแต่งกายมองเห็นไม่ชัดเพราะยืนอยู่หลังประตูในความมืดทันใดนั่นเอง ก็ได้ยินเสียงครูผู้หญิงที่ชั้นบนร้องโวยวายพอจะจับใจความได้ว่าใครแกล้งลากตัวเธอออกมาจากห้องในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจกับเสียงร้องนั้นผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าประตูก็หายไปแล้วในเวลาเดียวกันนั้นเองคุณครูคนนั้นก็วิ่งลงบันไดามาอย่างรีบร้อนหน้าตาตื่น ทุกคนจึงตอบไปว่าไม่มีใครขึ้นไปบนบ้านเลยลาวงที่เล่นไพ่กันก็เลยหยุดเล่นแยกย้ายกันเข้านอนเวลาประมาณตีสองทุกคนก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงที่ห้องครัวเหมือนมีแมวทะเลาะ ก, กันกัดกันเสียงถ้วยชามแตกมอไหตกเสียงดังแต่ทุกคนก็ไม่ลุกขึ้นมาดู จนรุ่งเช้าก่อนกลับบ้านเล่าคุณครูที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องครัวจึงเดินไปสำรวจในห้องครัวว่าอะไรแตกบ้างแต่พอเข้าไปในห้องครัวก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรแตกเสียหายทุกอย่างเป็นปกติเรียบร้อยดีและที่น่าแปลกใจก็คือมีภาพหญิงสาวติดอยู่ที่ข้างฝาของห้องครัวนั้นด้วย เล่าเขียนว่าชาตะและมอรณส10พฤศจิกายน2550มันทำให้รู้ว่าเธอคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาแต่ที่น่าตกใจก็คือใบหน้าในรูปนั้นมันเป็นใบหน้าเดียวกันกับผู้หญิงที่บอกว่าจะมาทำความสะอาดห้องเมื่อคืนนี้ และก่อนที่คุณครูและนักเรียนจะกลับบ้านก็เจอทหารที่มารับมอบกุญแจคืนครูคนหนึ่งจึงถามทหารคนนั้นว่ารูปผู้หญิงที่อยู่ในห้องครัวเธอคนนั้นเป็นใครในายทหารคนนั้นจึงเล่าว่ารูปผู้หญิงที่อยู่ในห้องครัวคือคนทําความสะอาดบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีมาแล้วแต่ก็มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น เพราเธอทะเลาะ ก, กับสามีเรื่องชู้สาวแล้วผู้ชายก็ได้ใช้ปืนยิงแม่บ้านคนนี้ตายในห้องครัวถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ยังมีรอยกระสุนและรอยเลือดติดอยู่ที่ฝาผนังห้องครัวนี้อยู่เลยเมื่อได้ยินดังนั้นคุณครูทุกคนก็ชวนกันร้องเพลงเพื่อกรบเกลือนความกลัวแจวแล้วมาแจวจ้ำจึก ไม่อยากจะนึกคิดถึงคนแจ๋วล่าแล้วบายบายค่ายทหารผีเฮียนสัมผัสสยอง